เ <c oughs> จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตใจใฝ่ทรรใฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาที่วัดกันเพื่อมาประกอบคนามความดีสร้างสิ่งที่เป็นศีลมงคลให้กับชีวิตพวกเราทุกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ร้วยปราถนา ความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลด้วยกันทันั้นและพวกเราถ้ามาวัดอย่างสม่ำเสมอย่อมรู้ว่าความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นคือไม่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะหยิบยกความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลให้กับเราได้เพราะว่า ความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคล น, นี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราแต่ละคนที่จะกระทํากันทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําทางใจเพราะการกระทำทางใจนั้นเป็นต้น เหตุของการกระทําทางกายและทางวาจาถ้าไม่มีการกระทําทางใจเกิดขึ้นการกระทําทางวาจาและทางกายย่อมเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเวลาคนตายไปแล้วร่างกายนั้นไม่มีจิตใจสถิตอยู่ไม่มีการทํางานของใจที่จะไปสั่งการให้ร่างกายนั้นพูดหรือทาอะไรร่างกายนั้นจึงต้องนอนอยู่เฉยๆ แล้วก็ต้องแปลงสภาพไปตามความเป็นจริงของของเขาคือเมื่อร่างกายหยุดการสืบต่อไม่มีลมหายใจแล้วก็จะมีแต่การแตกการแยกการสลายของธาตุสีที่มารวมกันทำให้เกิดเป็นร่างกายขึ้นมาเมื่อไม่มีใจที่จะควบคุมดูแลคอยสั่งให้ร่างกายทำสิ่งต่างๆแล้ว ร่างกายนั้นก็ต้องเสื่อมสลายกลับคืนสู่ดินน้ามลมไฟ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าร่างกายนี้มาจากดินาน้ำลมไฟก็ย่อมเป็นปกติที่ต้องกลับคืนสู่ดินาน้ำลมไฟดังที่เราได้เห็นกันคนตายเมื่อเราเอาไปเผาไฟน้ําก็แห้งหายไปลมก็หมดไป <c oughs> ไฟก็หมดไปเหลือแต่ขี้เท่าขี้เท่าก็เป็น ก็เป็นธาตุดินถ้าทิ้งไว้ต่อไปมันก็ผุสลา ย, ายเป็นกลายเป็นดินไปหมดแต่ถ้าร่างกายยังมีใจสถิตยอยู่<ม>อย่างร่างกายของพวกเราขณะนี้ขณะที่เราฟังเทศฟํงธรรมนี้เราทราบหรือไมว่าใครเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะคิดว่าร่างกายเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมแต่ความจริงแล้วร่างกายนั้น ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เพราะร่างกายไม่รู้เรื่องเหมือนเราไปเทศให้คนตายฟังเทศไปจนคนตายสลายกายเป็นคี้เท่าไปคนตายนั้นก็ไม่รู้เรื่องเพราะร่างกายนั้นไม่มีธาตุรู้อยู่ในร่างกายร่างกายผู้ที่รู้นี่เราเรียกว่าใจคือธาตุรู้โดยอาศัยร่างกายเป็นสื่อหรือเป็นเครื่องมือรับเสียงจากผู้แสดงผ่านหูของร่างกาย เพื่อเข้าไปสู่ใจอีกทีหนึ่งใจนั้นเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รับฟังแล้วใจเป็นผู้ที่คิดผู้ที่สั่งการต่างๆให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้ลุกขึ้นให้เดินไปเดินมาให้มาที่วัดให้ไปที่นูน่นไปที่นี่ให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งต่างๆนี้ใจเป็นผู้สั่งการใจเป็นผู้ทำงานก่อน ใจต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรถึงจะพูดได้ถึงจะคิดได้ดังนั้นทางพูทธศาสนาจึงเห็นใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลอบรมเพราะว่าใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วนั้นจะนำความสุขมาให้แต่ใจที่ไม่ได้รับการอบรมก็จะนำมาแต่ความทุกข์ ความวุ่นวายใจเพราะใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับเด็กเด็กเวลาเกิดมาใหม่ๆก็ต้องให้มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนเพราะว่าไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วไม่รู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่มีคนสั่งสอนแล้วก็จะทําไปตามความไม่รู้ของตน เมื่อทำไปแล้วก็จะสร้างปัญหาต่างๆตามมามากมายกายกองนังที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันนี้ในสังคมคนที่ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักเรื่องผิดถูกดีชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษก็จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามความอยากของตน ซึ่งความอยากของคนเราส่วนใหญ่นั้นจะมีความหลงครอบงำอยู่คือจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นคนว่าเป็นโทษเห็นสิเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคนเมื่อทำไปแล้วก็เลยต้องรับโทษตามมาเพราะคิดว่าการกระทานั้นเป็นคุณคือตนเองมีความสุขแต่หาไม่หารู้ไม่ว่ามันเป็นความสุขเพียงชั่ว ระยะสั้นๆแต่หลังจากนั้นแล้วโทษอันใหญ่หลวงก็จะตามมาอย่างคนที่ไปคดโกงไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัวเองีเขาก็คิดว่าเขาไปทำแล้วเขามีความสุขเพราะเมื่อเขาไปโกงมาเขาก็ได้เงินมาแบบที่เขาไม่ต้องไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแรงไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยต้องเสียเวลามากกว่าจะมาสักบาทหนึ่งถ้าไปโกงเขา หรือไปขโมยเขาได้นี่ได้เงินมาทีมากๆและได้มาอย่างรวดเร็วแลวเมื่อได้เงินมาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่ตนต้องการก็มีความสุขอยู่ในขณะที่ได้ใช้เงินนั้นแต่การกระทําที่ผิดศีลหรือผิดกฎหมายนะั้นย่อมมีโทษตามมาทางบ้านเมืองเขาก็ต้องตามจับเรา ทางใจใจเราก็ไม่มีความสุขแล้วสิเพราะเราไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆเป็นปกติได้เราต้องคอยหวาดระแวงมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังอยู่เสมอว่าจะมีใครมาตามจับเราเข้ากุกเข้าตลาดหรือเปล่านี่ก็เป็นเพราะว่าคนทำอะไรนั้นไม่ได้คิดอย่างรอบคอบไม่มีสติไม่มีปัญญาก็คือใจของเขานั้นไม่ได้รับการอบรมมาก่อนนั่นเอง ถ้าใจเขาได้รับการอบร ม, มแล้วเขาจะรู้ว่าการกระทำอันใดเป็นคุณการกระทำอันใดเป็นโทษแล้วถ้าเขารู้เขาก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเขาก็จะไม่ทำแล้วเมื่อไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษแล้ว <c oughs> ความทุกข์ความขายนณะทั้งหลายก็จะไม่ตามมาถ้าทำแต่สิ่งที่เป็นคุณอย่างเดียวก็จะมีแต่ความสุข ความจเจริญตามมานี่คือเรื่องสาคัญที่ใจจะต้องศึกษาจะต้องรู้สาเหตุที่เราต้องเข้าวัดกันก็เป็นเพราะว่าวัดนั้นเป็นสถานที่ที่คอยอบรมสั่งสอนใจของพวกเราให้รู้จักเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้รู้จักเรื่องผิดถูกดีชั่วให้รู้จักเรื่องแนรลบเรื่องสวรน แต่ใจของเรานั้นโดยปกติเป็นใจที่มีความรีบร้อนเป็นใจที่ชอบชิงสุกก่อนหา่ามคืออยากจะได้อะไรเร็วๆโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุว่าการที่เราจะได้อะไรมานั้นมันต้องใช้เวลาไม่ใช่อยู่ๆ อ, อยากจะได้อะไรมาก็จะได้มาทันที <c oughs> เช่นความสุขความเจริญความเป็นสิ่งมงคลเนี่เป็นสิ่งที่จะตามมาต่อเมื่อเรา ประพฤติตนในในทิศทาที่ดีคือทำแต่บุญทำแต่กุศลนั่นเองถ้าเราแลวก็ต้องทำทำอย่างต่อเนื่องทำทำแบบใช้เวลานา น, านพอสมควรกว่าผลที่ดีจะปรากฏขึ้นมาดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังเสมอว่าระยะทางนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเรานั้นกว่าจะดีได้นั้น ต้องกระทำความดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นคนเราจะทำความดีแค่ครั้งสองครั้งเราจะหวังให้คนอื่นเขายกย่องเราเห็นว่าเราเป็นคนดีนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่แน่ใจว่าคนที่ทำความดีเพียงครั้งสองครั้งนั้นจ ะ, จะทำจะทาความดีไปตลอดหรือเปล่าแต่ถ้าคนนั้น ทำความดีไปเรื่อยๆเป็นปีเป็นสิบสิบปีไปจกกนกระทั่งคนไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าคนนี้มีแต่ทําความดีคนนี้ก็จะได้รับการยกย่องได้รับการสรรเสริญได้รับการสนับสนุนอย่างพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างพระพุทธศาสนานี่ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีเป็นศาสนาที่สอนให้คนทำความดีเป็นศาสนา ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไปอยู่ที่ไหน<ม>ก็มีแต่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขทําให้ทุกคนตายใจได้กับพระศาสนากับพระพุทธศาสนาเ<ม>ชื่อได้เต็มที่ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นแต่คุณเป็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าพระพุทธศาสนานี้ไปปรากฏขึ้นอยู่ที่อ<ม>ื่น ที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาอย่างสมัยนี้มีพระท่านนําศาสนาไปเผยแพร่ตามประเทศต่างๆต่างชาติคนที่เขายังไม่เคยได้สัมผัสกับศาสนาเขาก็ยังไม่มีความแน่ใจเขาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่ดีจริงหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าเขาได้สัมผัสกับศาสนาไปเรื่อยๆอยู่กับศาสนาไปเรื่อยๆ ต่อไปเขาก็จะเห็นเองว่ า, าศาสนานั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนละเว้นจากการกระทำความชัว่วสอนให้คนมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันสอนให้คนมีความกตัญญูกตวเวทีเป็นผู้มีความรู้คุณของผู้อื่น และตอบแทนคุณของผู้อื่นสอนให้คนมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ประเสริฐมนุษย์ของมนุษย์เหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมนุษย์เรารู้จักที่สูงที่ต่ำนั่นเองต่างกับเดรฉ า, านเดรฉานานี้เราไม่ยกย่องเขาว่าเป็นผู้ประเสริฐ เพราะเดรัชานั้นไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักผู้มีคนหรือไม่มีพรคุณในราชาานั้นเขารู้อยู่อย่างเดียวคือกำลังใครเป็นผู้มีใครเป็นผู้มีกาลังผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่คนเราหรือมนุษย์เรานั้นไม่ได้อยู่แบบเดราัชานกันมนุษย์เราอยู่กันด้วยความสงบด้วยสันติสุขด้วยการเคารพในสิทธิของกันและกัน เพราะว่าทุกคนเราทุกคนเกิดมานั้นต้องการความสุขด้วยกันทุกคนไม่มีใครต้องการที่จะมีความทุกข์ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนตนฉันใดมนุษย์เราก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันฉันนั้นเพราะว่านี่คือฐานะของมนุษย์มนุษย์มีสติมีปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไร ถูกอะไรผิดอะไรดีหรืออะไรชั่วมนุษย์เราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าไม่มีาศาสนาสอนคนเราคนเราก็จะไปไม่เป็นมนุษย์กันคนเราก็จะเป็นเดรัจฉานกันเสียส่วนใหญ่เช่นอะไรจึงทำให้คนเราเป็นเดรัจฉานก็คือการประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั่นเองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ พูดผิดโตเวณีพูดปลดมดเท็ดอย่างนี้เป็นต้นการกระทำเหล่านี้นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทำของมนุษย์มนุษย์นั้นรู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่นำโทษมาให้กับตัวเราและกับผู้อื่นเราจึงไม่กระทำกันนี่แหละเราจงเรียกว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะมนุษย์เรามีสติมีปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรถูกและอะไรผิดการที่เราสามารถแยกแยะได้ก็เพราะว่าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราไม่มีคำสอนแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เคยได้รับการอบรมเรื่องเหล่านี้มาก่อนในอดีตชาติถ้าเราเคยได้รับการอบรมมาแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดมากับใจของเราเมื่อเรามาเกิดในโลกนี้ ถึงแม้จะไม่มีศาสนาสอนเราให้รู้จักผิดถูกดีชั่วก็ะตานแต่ในใจของเราใจของเราจะรู้ว่าอะไรคือเป็นสิ่งอะไรเป็นสิ่งที่ผิดถูกดีชั่วแล้วเราก็จะไม่กระทำในสิ่งที่ชั่วเราจะทำแต่สิ่งที่ถูกนี่ถือว่าเป็นเป็นมงคลอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลที่ได้รับการอบรมมาในอดีตชาติคือได้ทำบุญมาในอดีตชาติ คือได้ยินได้ฟังธรรมได้รู้จักเรื่องราวของบุญกุศลของนรกและสวรรค์เป็นสิ่งที่เมื่อไรได้รับการอบรมแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะติดใจมากับเราเมื่อเราตายไปจากชาติก่อนเราก็ทิ้งร่างกายไม่ว่าเราจะเป็นร่างกายอะไรในอดีตเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็มาเกิดใหม่แต่ใจที่เรามาเกิดใหม่นะั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากชาติที่แล้ว ใจเราเคยเป็นอย่างไรเคยรู้สึกนึกคิดอย่างไรเคยเคยชอบทํำอะไรอย่างไรมันก็จะติดนิสัยมาจะติดมากับใจเป็นนิสัยแล้วเมื่อมาเกิดมันก็จะทําให้เราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบที่เราเคยเป็นถ้าเราเคยเป็นคนดีเราก็ยังจะเป็นคนดีต่อไปถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็จะเป็นคนไม่ดี ถ้าเราเป็นคนครึ่งๆึงกลางกลางดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นคือดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปนี่ก็คือลักษณะของใจของเราบุญกุศลหรือบาปกรรมต่างๆที่เรากระทาไว้นั้นมันไม่สูญหายไปไหนมันฝังอยู่ในใจของเราเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราเอาเมล็ดใส่ลงไปในดินเมื่อดินนั้นได้รับน้ำรับแดดรับลม มันก็จะเจริญมเมล็ดนั้นมันกจจ็จะเจริญงอกงามออกมาเป็นต้นและออกดอกออกผลในเวลาต่อมา บ, บุญกุศลหรือบาป ก, กรรมที่เรากระทากันในชาติต่างๆก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกับมเมล็ดพืชที่ฝังอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะค่อยเจริญงอกงามและในที่สุดเมื่อถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลเลยทําให้เราเมื่อเรามาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินั้น เราจะมีนิสัยใจคอเป็นไปตามวิถีของการกระทาของเราที่เราได้กระทำมาในอนดีตคนเราที่เกิดมาจึงมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันถึงแม้จะมีพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามถึงแม้จะเป็นฝาแฝดก็ตามแต่นิสัยใจคอนั้นจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีเหมือนกันบ้างก็เป็นเหตุบังเอิญที่ใจสองดวงนั้นมีความคล้ายคลึงกัน เป็นไปได้แต่โอกาสที่จะมีความแตกต่างกันนั้นมีอยู่มากเราเห็นได้ในครอบครัวของเราเรามีพี่มีน้องเราจะรู้ว่านิสัยใจคอของพี่ของน้องเหล่านั้นจะมีความแตกต่างกันนี่เป็นเพราะว่าใจของเรานั้นไม่ได้รับไม่ได้เกิดมาจากของพ่อของแม่เราใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นมีมีอยู่ดั้งเดิม เราเรียกว่าธาตรู้ธาตรูนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดจากภพนี้มันก็ไปสู่ภพหน้าจากภพหน้ามันก็ไปเรื่อยๆไปตามกำลังของบุญของกรรมพาไปแล้วขณะในแต่ละภพในแต่ละชาติเขาก็สะสมบุญสะสมกรรมไปกลายเป็นนิสัยดีนิสัยไม่ดีไปแล้วเมื่อเขามาโครจรมาเกิดในท้องของแม่เราเออกมาเป็นพี่เป็นน้องกับเราเขากับเรานั่นก็เป็นเหมือนกับ คนเหมือนกับญาติโยมที่มาในสารานี้เราก็มาจากที่ต่างๆกันแล้วเราก็มาเจอกันที่สารานี้เราก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันชั้นใดพี่น้องของเราก็เป็นแบบนั้นพี่น้องของเรานั้นเราเป็นพี่น้องกันเพียงแต่ที่ร่างกายเท่านั้นร่างกายของเรานี้เราได้รับจากพ่อจากแม่เราเราจึงมีหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่นิสัยใจคอนั้นเป็นเรื่องของใจ ใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ใจนี่มาจากภบชาติก่นกอนๆที่เราเรียกว่าดวงวิญ ญ, ญาณที่ล่องลอยหาที่เกิดปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีเมื่อมีมีเห็นมีปัจจัยที่จะทำให้ใจหรือจิตดวงนี้ปฏิสนธิได้ก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นมามคือเมื่อธาตุของพ่อและของแม่มาผสมกันเข้าก็เป็นปัจจัย พร้อมที่จะให้มีการปฏิสนธิได้ถ้ามีใจดวงใดผ่านมาในขณะนั้นหรือจ้องรออยู่แล้วก็จะสามารถเข้าไปปฏิสนธิในในทันนั้นได้นี่ก็คือเรื่องของใจเรากับกายเราเราต้องเข้าใจและเราต้องแยกแยะให้ออกว่าใจและกายของเรานั้นเป็นคนละสิ่งกันร่างกายนี้ถือว่าเป็นบาว ใจที่เป็นนายร่างกายเปยือกมือกับเสื้อผ้าอภรรติเราเอาใส่สวมใส่เท่านั้นเองมันไม่มีความสำคัญอะไรมากกว่าเป็นเครื่องรับใช้ใจใจต่างหากที่เป็นตัวสำคัญใจเป็นผู้ที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ใจเป็นผู้สร้างนรกใจเป็นผู้สร้างสวรรค์ถ้าใจคิดดีใจก็มีความสุขถ้าใจคิดร้ายใจก็มีความทุกข์ ปัญหาทั้งหมดยังอยู่ที่ใจดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราดูใจหลัของเรารักษาใจของเราอบรมใจของเราให้ดีด้วยการเข้าหาผู้รู้คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือเข้าหาพระธรรมคาสอนเพราะว่าเรายังไม่รู้จากวิธีรักษาใจของเราเรายังไม่รู้จากแยกแยะว่า อะไรดีสำหรับใจอะไรไม่ดีสำหรับใจเราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้สอน <c oughs> เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำสิ่งที่เรารู้นี้มา ปฏิบัติกับใจของเราพยายามดําเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการทําความดีละความชั่วและการชําระจิตคือชําระโลกกดหลงชะรับระตันหาความอยากทั้งหลายให้ออกไปจากใจเป็นวิธีที่จะทําให้เราจเจริญรุ่รงเรืองทำให้เรามีความสุข <c oughs> ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลต่างๆย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้ปฏิบัติมาแล้วถ้าเปรียบเหมือนกับคนไข้ก็เคยได้ทดลองยามาแล้ว รู้ว่าเวลามีโรคนี้เกิดขึ้นแล้วถ้ากินยาชนิดนี้เข้าไปก็จะรักษาให้โรคนี้หายไปได้ฉันใดโรคของใจก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจความว้าวุ่นขุนมัวความเศร้าโศกเสียใจความวิตกกังวลใจความหวาวดกลัวต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถรักษาให้หายได้ด้วยธรรมโอสฐ ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราเชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซน์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทดสอบยาเหล่านี้มาแล้วแล้วท่านจึงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราในอดีตก็มีคนอย่างพวกเรานี้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เขามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเขาก็นําสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติเมื่อเขาปฏิบัติตามคือทําแต่ความดีละความชั่วและชําระจิตของเขาด้วยการฝึกขัดนั่งทำสมาธิเดินจงกรมเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเขาสามารถชําระกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดออกไปจากใจเขาได้ ใจของเขาก็กลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองธรรมโอสฐ์ของพระพุทธเจ้าว่ายารักษาโรคใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นเป็นยาที่วิเศษจริงๆสามารถรักษาใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้แล้เมื่อท่านเหล่านั้นได้รู้ได้เห็นได้ ได้พิสูจน์อย่างเต็มที่แล้วว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นล้วนแต่เป็นความจริงถ้าเ่านั้นก็กลายเป็นผู้ที่มารับรองพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปศาสนาของเราก็ได้รับการสืบทอดมาในแนวนี้คือจากผู้รู้สู่สผู้ไม่รู้ผู้รู้ก็รับมาด้วยความศรัทธารับมาแล้วก็มาลองปฏิบัติ ด, ดู เมื่อปฏิบัติดูก็เห็นจริงเห็นจังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเราไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณต้องรับประทานยาอย่างนี้หมอเขาก็ให้ยาเรามารับประทานเราเป็นคนไข้เราก็มีความเชื่อในหมอไม่มีคนไข้คนไหนที่ไม่เชื่อหมอถ้าไม่เชื่อหมอก็คงจะไม่ไปหาหมอในเบื้องต้นคนเราทุกคนเวลาเป็นไข้ก็จะไปหาหมอกันทั้งนั้นเมื่อไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาอะไรมา เราก็รับยานั้นมารับประทานตามที่หมอสั่งทุกประการแล้วผลที่ปรากฏตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บของเราก็หมดไปนี่แหละก็คือเรื่องราวของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างอย่างนี้เหมือนกันเป็นเหมือนกับยารักษาโรครักษาโรคใจของเราใจของเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีไม่มีโรคไม่มีภยัย โรคภัยของใจนี้ก็คือความว้าวุ่นขนมัวความทุกข์ความกังวลใจนี่แหละคือคือโรคของใจและไม่มีอะไรที่จะรักษาโรคของใจได้นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้านั่นแหละคือเหตุว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงต้องมาวัดกันอย่างสม่ําเสมอมาวัดมาทำบุญทําทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้นั้น เป็นวิถีทางที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เรากระทำกันนั่นเองการทำบุญก็เป็นการกระทำความดีการรักษาศีลก็เป็นการละเว้นจากการกระทำความชั่วการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการชําระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนั่นเองเพราะว่ากิเลสตัณหาก็เกิดจากความหลงความหลงนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้ ผิดถูกดีชั่วไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเป็นสุขไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นเองแต่เมื่อได้ยินได้ฟังทมแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ใจนั้นมีความสุขอะไรที่จะทำให้ใจนั้นมีความทุกข์ใจที่สุขนั้นก็พาอใจปล่อยวางใจที่ทุกข์นั้นพ่อใจยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ การที่ใจจะปล่อยวางได้ใจก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนไปยึดไปติดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่